ประเทศวันที่ท5้าวิกฤการณ์อยู่สองนห้ารห้าณวัดสาบ้านตากจังหวัดอุดรธานีพระในข้างคุตการเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าก็มีและพระของพระพุท ธ, ธเจ้า เป็นพระสาวกอรหรันแต่ต่อมาในสมัยพระของพวกเรานี้จะเป็นพระอะไรก็ยังเรียกตายตัวไม่ได้ถ้าเป็นพระชอบบอกบัตรบอกเบอร์ก็จะเรียกไปตามคื่ว่าพระปัดพระเบอร์ พระเสียเราะพระกระดอกเคราะหพระมีเลือดยายามดีตรงนี้ก่อนวันนี้ตั้งแต่พระพระขององค์สมเร็จพระฟูมีพระภาคเจ้าท่านปฏิบัติตนของท่านอย่างไร จึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาและกลายเป็นสาวกอรหรันพระสาวกอรหันขึ้นมานั่นพระขั้งพุทธการพระสมัยของเรานี้เป็นพระสมัยใหม่มีทุกอย่างแม้ตุนเองก็ยัง ไว้ใจตนเองไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ตนของตนก็เป็นผู้ประกอบการาด้วยกันกับกลรืงพุทธกาแต่ว่าการงานทุกทิ้นต้องออกจากความรู้สึกและความชอบใจส่จวนจะเป็นไปตามแถวแห่งพระธรรมวินัยนั้นก็ยังเป็นปัญหา เพราะเห็นนั้นพระในครั้งพุทธการกับครั้งสมัยทุกวันนี้จึงมีต่างกันในปฏิปทาเครื่องดำเนินแม้จะอยู่ในวงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันก็ต่างแต่โอวาทซึ่งเป็นสำคัญที่สุดคือโอวาทของทิเดตัณหาอาสวะมันครอบอยู่ที่หัวใจของเราทุกๆ ท, ท่าน เมื่อเรามีความใคร้หรือฝ่ายใจต่อโอวาทซึ่งมีอยู่ในตนเองอันเป็นโอวาทที่จอมปลอมนี่แล้วความเคลื่อนทางกายวาจาใจทุกๆอาการจะต้องกลายเป็นเรื่องของปลอมจากพระโอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้าไปหมดใน ม, มีอันใดที่จะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาในกายวาจาใจและความเคลื่อนไหวทุกๆอาการของพวกเรา ผลทีจะพึงได้รับก็ต้องเดินตามรอยแห่งเหตุที่ตนได้ดำเนินไปแล้วเหตุแห่งพระพุทธทเจ้าก็ดีเหตุแห่งสาวกก็ดีที่ท่านดำเนินองค์ของท่านมาจนปรากฏเป็นเจริะของพวกเรานี้กับพวกเราทั้งหลายที่ได้ เป่งวาจาว่าเป็นพระของพระโทธเจ้าเป็นพระสากยาบุตรจะเหมือนกันหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับโอวาทของพระโพธเจ้ามาเป็นเครื่องปกครองจิตใจของเราและโอวาทอันจอมปลอมซึ่งฝังอยู่ในหัวใจของเราทั้งวันทั้งคืน ขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเทวทัตซึ่งฝังอยู่ในหัวใจของเราแล้วเราก็จะกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์อย่างโดยสิ้นเชิงคือสาวกอัจฉริย แม้พระพุทธเจ้าจะนิพานา น, านหรือไม่านานไม่เป็นปัญหาอันใดกับท่านผู้บำเพ็ญตนทั้งตนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นที่พึงพอใจและเป็นธรรมที่ประจักษ์ใจของตนเป็นลำดับลาดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่จืดหมายปลายทางแห่งองค์สมเด็จพระภูมิทพเจ้ า, า, าดยทรงประทานเอาไว้ เราจงตัดสินใจของเราว่าจะน้อมตนไปสู่โอวาทใ ด, ดโอวาทที่สำคัญที่สุดซึ่งคร่มสอนตนของตนอยู่ตลอดเวลาคือโอวาทที่เกิดมาจากวัตะครูไหนจะสอนหรือไม่สอนก็าตามธรรมชาตินี้เป็นครูโดยลำพังตนเอง เพราะความเที่ยวทานในทางนี้มาไม่รู้กีกับปีกันความเกิดเกิดตายตายเหล่านี้เป็นของที่ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านกันได้ว่ามีมากน้อยต่างกันไม่เหมือนกับสมบัติภายนอกซึ่งมองเห็นด้วยตาหนึ่งว่าคนนั้นมีมากคนนี้มีน้อยพอที่จะมาเทียบเทียงหรือวัดเดียงกันได้ ถ้าเราเป็นผู้มุง่งหวังจะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระองค์เจ้าแล้วต้องเป็นผู้หนักในพระโองค์ากซึ่งเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หลุดจากพระโอษฐ์ของพระองค์ออกมาโดยความเป็นธรรมทั้งแท้แล้วน้อมาปผู้พืชปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เห็นพระพุทธเจ้าและพระธรรมตลอดถึงพระสงฆ์สาวก ว่าเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตและจิตใจของตนอย่างนี้จึงจะเป็นไปได้ในแถบแห่งพระองค์ท่านและสาวกที่ได้ผ่านไปแล้วถ้าเรายังจะเห็นเรื่องความเห็นความเป็นของเราซึ่งเป็นตัวหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของดีด้วยแล้วแม้เราจะเปรียงวาจาว่าเป็นจิตของพระทาคต ก็สักแต่คำพูดเท่านั้นไม่ปรากฏผลอันใดที่จะให้เป็นความสมหวังตามคามพูดของเราว่าเป็นสิทธิ์ของพระพาคธเจ้ายิ่งทุกวันนี้ไปในที่ไหนๆตามธรรมนาสิ่งแวดล้อมก็มีอยู่แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอด เวลา้าผู้ใดจะเห็นสิ่งแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของจริงแล้วจิตใจจะมีความใคลาและฝักไปในสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องกดถี่บังคับหรือเป็นครูสอนตนนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เสียหาย ถึงกับลืมพระโอวาสของพระพุทธเจ้าและเห็นพระโอวาททั้งหมดกลายเป็นฆาาศึกต่อตอนเองด้วยแล้วกลายเป็นฆ่าศึกต่อคนรวงกลายเป็นฆาาศึกต่อโลกทั่วทั้งดินแดนแท้ที่จริงพระโอวาสคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโอวาสที่จะระงับดับไฟความรุ่มร้อนภายในใจของสัตว์ที่มีอยู่ด้วยกัน อย่างหนาแน่นให้ระงรับดับไปตามแต่ความสามารถของผู้มุ่งตอบพระอาวาัตคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาประพฤติธปฏิบัติตามเมื่อได้สดับเรียบร้อยแล้วผู้นั้นแลจะเป็นผู้ระงรับดับได้ซึ่งกองเพิงที่เผาฝรานอยู่ภายในจิต ใ, ใจของตน ของบางอย่างเป็นคุณสำหรับโลกแต่กลายเป็นภัยสำหรับนักบวชขอให้เราทั้งหลายได้คำหนึ่งถึงเรื่องตัวของเราและพึงคำหนึ่งเสมอว่าพระมีความหมายแค่ไหนคำว่าพระก็แปลว่าพระเสดถ้าเป็นเรื่องของคนก็แปลว่าคนพระเสด ถ้าแยกออกไปสู่การงานก็แปลว่าการงานที่จะเป็นไปเพื่อความประเสริฐหรือให้ถึงแดนแห่งความประเสริฐเราต้องพิจารณาเสมอพระของพระพุทธเจเ้าเป็นพระมาโดยลำดับด้วยปฏิ ป, ปทาที่ดำเนินตามสวาขาตาธรรมซึ่งพระองค์เจ้าตรัสไว้ชอบแล้ว การปฏิปาทาคือข้อดำเนิน ท, ทุกทุกอาการที่เคลื่อนไหวของจิตพระสถาคดเจ้าในครั้งนั้นปรากฏว่าดำเนินไปโดยชอบสมกับคำว่าสวัสดิธรรมที่พระ อ, องค์เจ้าทรงประทานไว้ผลที่ได้รับจึงปรากฏตั้งแต่ต้นว่าท่านองค์นั้นสำเร็จพระโสดา องนั้นสำเ็จพระสกีธาองนั้นสำเ็จพระอนาธาองนั้นสำเ็จพระราหารันอยู่ในที่นั้นๆมีผลที่สาวกทั้งหลายได้รับจากข้อปฏิบัติซึ่งสืบเนื่องมาจากสมัครขาธรรมกลายเป็นนิยานิกรรมต่อตอนเองยังผู้ปลุกขึ้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ได้โดยเหตุนี้ ทีนี้ทำทั้งหมดที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้นั้นสาวกทั้งหลายดําเนินตามปรากฏผลตามที่อธิบายมานี้มาสมัยทุกวันนี้พระเป็นพระของศักดิ์เราก็เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนบวชช่วยกันทั้งนั้นพุทธทางธรรมังแต่ลังทัศมิแม้แต่สามเณรก็ไม่เคยละเว้นก่อนที่จะถือเพศ เป็นนักบวชแต่เหตุใดเราจึงกลายเป็นเหมือนกับพระอิทธพระกูลไปหมดเป็นพระหนังสือผีเป็นพระวิทยุเป็นพระทัตทัตเป็นพระบัดพระเบิ์ เป็นพระสะเดาะเคราะ์สะเดาะกรรมเป็นพระผู้ล้างบาปบาปเป็นพระผู้รู้ดีรู้ชอบในมื้อดีเดือนดีวันดีกลายไปอย่างนั้นเสียมากแล้วพระประเภทที่กล่าวนี้เป็นพระของพระพุทธเจ้าโดยชอบทมหรือเป็นพระกลอถพา ร, ร้อมด้วยความประพฤต รอมด้วยความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่ถูกกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะจัดว่าเราเป็นพระที่ชอบทมได้หรือไม่ผลที่จะพึงได้รับจะชอบทำหรือไม่อีกเหมือนกันนี่สมัยทุกวันนี้เป็นพระอย่างนี้ดูมากขอให้ท่านทั้งหลายได้สำนึกตัวเสมอ ทิงเหล่านี้โลกนำไปปฏิบัติหรือโลกเขามีเป็นประโยชน์สําหรับโลกแต่ทางพระเมื่อนำของที่กล่าวมานี้มาปฏิบัติหรือ ม, มาสนใจยอมจะเป็นไปทางความเสื่อมเสียเป็นไปเพื่อความพุ้งเฟอเ้อเหือเหิมเป็นไปเพื่อความวุ่นวายนำขาดเป็นไปเพื่ออารมณ์แห่งจิตใจ สมาธิก็ดีปัญญาก็ดีที่พระองค์เจ้าทรงประทานเอาไว้กลายเป็นเรื่องความมั่นคงในทางที่เสียหายไปเสียหรือไมากยกตัวอย่างใกล้ๆเหมือนอย่างวิทยุเมื่อได้ฟังแล้วต้องติดใจยิ่งโทร ท, ทัศน์ทั้งได้ยินทั้งได้เห็นด้วยนี่โลกไม่เป็นไรดูทั้งวันทั้งคืนเราก็ไม่มีความเสียหาย ข้อเรื่องของโลกแต่เรื่องของธรรมแล้วต้องมีความเสื่อมเสียลงเป็นลำดับก่อนที่เขาจะปิดเขาต้องมีรายการบอกเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นอย่างนี้พวกพวกวัดแต่เราผู้ที่เงียงหูฟังยิ่งกว่าพระวาดคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องฝังลงที่จิตใจ เมื่อเขาประกาศรายการให้ฟังพอถึงเวล้วนถึงเวลาที่เขาจะประกาศตามรายการนั้นเท่านั้นแม้จะมีจิตุระอันใดจำเป็นสักเท่าไหร่ก็ตามในหน้าที่ของสัมมณะต้องปล่อยวางเสียที่ไม่มีอนไ้เหลือถึงเวลาทำวัดทำวาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็าต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของสมาธิของภาวนา จิตจึงกลายเป็นโรคตลอดถึงอาการของกายของวาจาทุกอย่างเคลื่อนไหวไปตามเรื่องเหล่า น, นั้นเสียทั้งหมดแล้วเราจะหาพระความสงบเยือกเย็นจากธรรมะของพระพุทธ เ, ทเจ้าได้ที่ตรงไหนเมื่ออาการทุกอย่างนับตั้งแต่วความเคลื่อนไหวภายในใจออกมาจนกระทั่งถึงกายถึงวาจาทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวเป็นไปเพราะเรื่องอย่างนี้เสียเต็มที่แล้วเราจะหามรรคผลนผิพพานที่ไหนมา เพราะมิพลานไม่ได้เกิดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การปฏิบัติหรือการบวชในพระศาสานามุ่งเพื่อจะแก้สิ่งกังวลหรือมัวหมองแกจ่จิตใจของตนให้ตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นข้าศึกต่อใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นเพราะเหตุแห่งธรรมะคา ส, สอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอบรมใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของวิทยุเรื่องโทรทัศน์เรื่องหนังสือพิมพ์หนังสือเพลินจะมา สามารถทำจิตใจของนัก บ, บวชเราให้ได้รับความสงบเยบือกเย็นและจะกลายเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถสั่งสอนประชาชนพลเมืองทั้งหลายให้มีศีลมีธรรมให้ถึงจิตถึงใจได้เคารพพระพุทธศาสนาเกิดความเฉลียวฉลาดมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีเลยนอกจากจะเป็นที่ดูถูกเกียดหยามของประชาชนเท่านั้นไม่เห็นมีอันไหน ขอให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นนัก บ, บวชทรงไว้ซึ่งกาสารพัดอันเป็นเกียรติมาจากองค์สมเด็จพระผูกมีพระภาคเจ้าทาไม่เช่นนั้นแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องพระกับญาติโยมไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกัเพราะผ้าเหลืองอยู่ในร้านตลาดมีถมไป ยังจะผ้าเหลืองเท่านั้นเป็นสิ่งสําเร็จประโยชน์แล้วในล้านเจ็คมีมากเท่าไหร่เขาไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาในวัดการที่เขาเข้ามาในวัดเขามีความเชื่อความล่มสายต่อพระสงฆ์องค์นั้นๆหรือต่อวัดก็ดีเขาไม่ได้มีความเชื่อความล่มสายเพราะพระมีวิทยุเพราะพระมีโทรทัศน์เพราะพระมีหนังสือพิมพ์หนังสือถพลเพราะพระมีลงดีเจละคร อยู่ในอยู่ในกุติคืออยู่ในโทรทัศน์มีเครื่องประกาศโฆษณาอยู่ในวกุติคือวิทยุมีข่าวอยู่ในกุติคือเรื่องทน้งสือพิเรื่องเหล่านี้มีถมไปในร้านตลาดเอาเงินไปซื้อเท่าไหร่จะเอารถไฟไปบรรทุกก็ไม่หัดไม่เป็นเรื่องที่จะให้บรรณาศรัทาทั้งหลายเป็นที่เคารพเป็นที่ เชือมสายได้จากจิตการของพระที่ทำโดยทิ่ีนี้และจะเป็นที่ไว้วางใจของพระองค์เจ้าที่ทรงไหนเมื่อเราจิปตปฏิญญาณตนว่าเป็นจิตพระราชาคุโดยเพศชนนี้แล้วนำกายวาจาใจของตนให้ล้มละลายไปตามความเป็นโลกอย่างเต็มที่ชนนี้แล้ว จะให้ญาติโยมกราบลงได้อย่างไรโทรทัศน์ชาติโยมเขามียิทยุเขามีหนังสื้อพิมพ์นังซื้อเพลินเขามีลงนิเกอลงระบาลงหมัดลงมวยมีหมดครบหมดไม่เป็นของจําเป็นที่เขาจะต้องพยายามแบกร่างเข้ามาสู่วัดโดยสละเวลามเวลาทั้งเงินทองสละทุกสิ่งทุกประการเข้ามาว่า เพื่อจะกราบไหว้พระซึ่งเป็นเพศที่เย็นและความประพฤติปฏิบัติเป็นที่จับจิตจับใจเป็นที่เคารพเรื่อมใสเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ดับทุกข์ดับร้อนสำหรับผู้ที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนภายในใจให้ได้จืดจางหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งเพศของพระข้อปฏิบัติของพระโอวาทของพระที่กล่าวมาด้วยหลักธรรมที่แท้จริง ซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของคนอย่างนั้นด้วยแล้เราทั้งหลายปรินคำศาสนากำลังจะล่มเหลวล้มเหลวในตูข้องเราอีกในคำพีที่ได้จารลึกหรือพิมพ์เอาไว้ตู้ไหนยังมีอยู่ไม่เคยบกครองแต่มันบกคร่องสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติ ตัวเองก็ไว้ใจตัวเองไม่ได้แล้วจะให้คนอื่นเข้ามาไว้ใจตนได้ที่ไหนตัวก็ร้อนโลกก็ร้อนต่างคนก็ต่างเอาไฟมาผสมผสมกันจะหาความเย็นมาจากที่ไหนเขาร้อนวิ่งมาให้เราให้เราก็กลาเป็นเพลิงทั้งกองไปเสีไม่ทราบว่าใครจะเป็นที่พึ่งของใครได้พระพุทธเจ้าปรากฏว่าเป็นที่พึ่งของโลก สาวกปรากฏว่าเป็นเตนะของโลกเป็นที่ล่มเย็นแม้เขาจะยังละกิเลสไม่ได้เขาตามขณะที่เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าและมานมัสการพระสงฆ์เขาก็ยังได้รับความแช่มชื่นเบิกบานในจิตใจโดยมีความรู้สึกในใจของเขาว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งส่วนกายทั้งส่วนวาจาทั้งใจด้วย และในเข้านมัสการกรา บ, ราบว่าพระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ส่งไว้ซึ่งศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติมุติญาณทัศนะแม้เขาจะไม่ได้สมบัติอย่างสาวกหรือพระพุทธเจ้าได้ก็ต า, ามเพียงเขาเข้ามา พ, พึ่งร่วมเงาเท่านั้นเา้าไปรับความร่มเย็นเป็นสุขนี่เมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดเราแล้วเห็นตั้งแต่วิทยุเห็นแต่โทรทัศน์ เห็นแต่นังซึพิมนังซึเปื่นพูดออกคาใดเป็นการบ้านการเมืองพูดเป็นโลกเป็นรงสารไปหมดวิทยาที่ทำทั้งหมดเป็นอาการของคารวะจิตที่คิดออกทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องออกมาจากโอวาทของพระเทวทัตซึ่งฝังอยู่ในหัวใจอย่างเต็มที่แล้วจะให้เป็นที่ไว้ใจที่ของไหนโลกจะกราบใครลงได้อย่างนี้ และจะไหวใจตอบรับเราจะหาว่าโลกไม่ดีไม่ได้โลกเคยเป็นโลกมาตั้งแต่กับไหนการใดพระพุเทธเจ้าเขาอุบัติขึ้นในโลกแล้วอาศัยโลกเป็นอยู่จนกระทั่งถึงวันพระองค์กรนีปาไม่เคยมีความอดอยากขาดแคลนเพราะเพราะโลกเขาไม่สนใจพระสาวกก็เช่นเดียวกัน มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ทั้งหมดออกมาจากโลกคือญาติโยมทั้งนั้นเป็นผู้ปรธทรมบุเล่ด้วยความสนุกสนิเคล่อยต่อบุญต่อผู้สนจริงๆเพราะพระพุทธเทจ้าและสาวกท่านเป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญของท่านอย่างสมบูรณ์ด้วยและก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้รับความร่มเย็นอย่างองค์ของท่านด้วยพวกเราจะเป็นเนื้อนาอะไ แล้วจะทำความร่มเย็นให้โลกได้แค่ไหนเมื่อตนของตนก็มีความร้อนเพื่อการตสาะแสวงหาไฟมาเผาตนเองอยู่ตลอดเลลวลาขอให้คำานึงให้มากนี่เนีเรื่องของศาสนาลมจมลมจมในนักบวชเป็นเบอร์หนึ่งเมื่อเขาจะว่าอย่างไรก็ก็ลำบากราะเห็นแก่ผ้ากาตะวะพัท เมื่อทำไปกินไปเคยไปก็กลายเป็นเรื่องไม่สนใจอะไรทั้งนั้นว่าใครจะตําหนิติชมในความประพฤติของตนเพราะความเคยกินฝังอยู่ที่หัวใจเลยกลายเป็นโรคไปเสียทั้งดวงในใจดวงนั้นนี่แล้วต้องคิดดูใจของเรา เพียงเราจะก้าเข้าไปสู่วัดหาครูบาอาจารย์องค์นั้นๆก่อนจะก้าเข้าไปเราต้องคิดตนเต็มใจเหมือนกันว่าควรจะก้าวเข้าไปหาอาจารย์องค์ไหนเมื่อก้าวเข้าไปแล้วอาจารย์องค์นั้นเป็นอย่างไรควรจะให้ความร่มเย็นหรืออุบายต่างๆพอเป็นกําลังเพิ่มจิตใจของเราให้ได้รับความเชื่อความหลใสมากน้อยเท่าไหร่ เราต้องคำหนึ่งแล้วทุกๆคนคิดผ่านใจต ร, รองดูอย่างทัดเจนหรือแ น, แน่ๆภายในจิตใจแล้วตัดสินใจเข้ามาเพียงเราเองก็ยังคิดอย่างนี้ทังนี้โลกมีความรู้สึกคือหัวใจอันเดียวกันร้อนใครก็ต้องทราบเย็นก็ต้องทราบเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสถ า, านที่เย็นหรือบุคคลที่เย็นจะไม่ทราบได้อย่างไ และในขณะเดียวกันบุคคลที่ร้อนสถานที่ร้อนเขาก็ต้องทราหัวใจของเรามันร้อนเรายังพยายามจะแก้ไขให้เย็นเราก็ยังทราบในหัวใจของเราหัวใจของประชาชนทุกๆคนต้องทราบในความรู้สึกของตนเองด้วยกันทั้งนั้นแล้วพยายามสอบแส้งหาสิ่งที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองในทางความสุขเกิดขึ้นจากโภคทรคัพย์ ส่วนนั้นเขาแสวงหาของเขาเองโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพระแต่ส่วนที่จะนำธรรมะปไปปกครองบ้านเรือนปกครองครอบครัวหรือสถานที่การงานวงสังคม น, นั้นๆต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องปกครองแลีเป็นผู้มุ่งต่อความสุขโดยเฉพาะทางด้านจิตใจแล้วค อ, อยย่องเห็นวัดเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ เป็นของจาเป็นอย่างยิ่งขึ้นมายิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วใครจะสามารถให้ความร่มเย็นในตัวเองด้วยได้ด้วยแล้วจะสามารถให้ความร่มเย็นบุคคลอื่นซึ่งเป็นอันดับที่สองได้ด้วยนอกจากจะทาตัวของเราให้มีความร่มเย็นในใจของเราแล้ว จะให้ความร่มเย็นแก่บุคคลอื่นด้วยเหตุอื่นเป็นอันม่มหลักของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทําความร่มเย็นในพระทัยของพระองค์เองแล้วก็ทําความร่มเย็นแก่พุทธบริษัททั้งหลายตลอดจนกระทั่งถึงวันนิพัานสาวกทั้งหลายก็ทําหน้าที่ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนทั้งหลายทายทอดกันมาเป็นลําดับลำดับ นับตั้งแต่วันท่านได้รับความร่มเย็นในใจของท่านจากธรรมะคำตองสอนของพระพุทธเจ้าโดยข้อปฏิบัติของตนเองเราจะให้ความร่มเย็นในจิตใจของเราด้วยอะไรนอกจากหลักธรรมะที่กล่าวแล้วนี้เท่านั้นจะไม่มีอันใดเป็นเครื่องร่มเย็นสําหรับหัวใจของพระและจะไม่มีธรรมอันใดที่จะให้ความร่มเย็นแก่โลก นอกไปจากความร่มเย็นซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราอันเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติของเราแล้วทายทอดให้ท่านผู้ที่มีความประสงค์ความร่มเย็นแล้วมาอาศัยพึ่งผิวศับพระจะเป็นการจิงข่าวก็ตามหรือชั่วระยะหนึ่งก็าตามจะให้นอกไปจากโอวาทคาสอนคํำพระพติธเจ้านี้ไม่มีคําว่ามัตติมามีความหมายแค่ไหน ธรรมะคำส อ, สอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ตายตัวอยู่เสมอไม่ปรากฏว่ายาดจ้ายหรือผันแปรไปจากความเป็นมัจจิมาถึงความเป็นอีกแม้แต่บทเดียวบารเดียวคาถาเดียวในบรรดาพระอาวราชที่ทรงประทานไว้เนีย่ยเหตุได้ผลจึงไม่ปรากฏเป็นที่พึงพอใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกเท่าหรือจะหา่าพระศาสนาเรียแรม อะไรเดียวแหลมถ้าพูดถึงเรื่องถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่หรือไม่ในตัวของเราในกายในใจของเรามีบกซ่องอะไะท่านบอกให้กำหนดรู้ทุกข์พิ้แกณาเรื่องทุกข์จะเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าสามารถจะตัดที่เลสตัวรุ่มหลงอันสืบเนื่องมาจากตัววิชานัเนนี่ก็มีอยู่ในสถานที่นี้ทั้งหมด เราสนใจตามหลักธรรมของพระพธุทธเจ้าแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาบังคับหรือกจิกันเป็นไม่ได้เพราะคําว่ามัตติมานั้นไม่ขึ้นอยู่กับใครใครเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอศูนย์กลางทั้งข้อปฏิบัติศูนย์กลางทั้งผลที่จะพึงได้รับไม่เข้าใครออกใครทั้งนั้นเมื่อเราได้ผลพืติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุว ข, ขาตธรรมที่พระองค์เจ้าทรทงตระฐานไว้แล้วอย่างตายตัว ของพากันสำนึกในตัวทำไม่เช่นนั้นจะเสียวันเสียเวลาเสียชีวิตกิตใจไปวันเล็กบันน้อยตายไปแล้วได้ประโยชน์อะไรจะได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายแล้วหมดราคฐาม้อวัาวะจะมีอยู่ยังไม่แตกสลายจากกันไปก็ตามเมื่อความรู้สึกได้ ออกจากกลางนี้แล้วเขาเรียกว่าคนตายกันทั้งนั้นแล้วจะทำประโยชน์ทันใดได้ศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตต์พระนิพพานไม่ปรากฏมีในคนตายและปฏิบัติทาทุกข้อพระองค์เจ้าไม่ทรงประทานให้คนตายประทานไว้สำหรับคนเป็นที่มีความรู้สึกดีชั่วถุกกุศีเท่านั้น วันนี้ไดอธิบายถึงเรื่องพระของพระพุทธเจ้าพระในสมัยพระพุทธเจ้ากับพระของพวกเราอยู่นับหนี้ว่าเป็นพระที่ต่างกันอย่างไรบ้างให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้วินิจฉัยสนใจแก้ไขตนเองเมื่อพระเราได้บกพร่องในส่วนไหนแล้วจะได้ปรับปรุงพระของตนให้สมบูรณ์ขึ้นมาตามพระโอวาทคาสอนพระพเจ้า แล้วจะ ก, กลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ขึ้นภายในจิตใจของตนจะเป็นพระที่แท้จริงเป็นพระที่ไม่เสียจีที่ได้ทรงผ้ากาสาวพัดปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับทั้งเหตุที่ชอบพระของพระพุทธเจ้าก็ดีพระของสาวกก็ดี ได้ปรากฏขึ้นจากความทวนกระแสะแห่งโลกไม่ใช่เกิดขึ้นจากตามกระแสะแห่งโลกเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายซึ่งลอยตามกระแสะแห่งโลกอยู่นบับหนี้กระแสะแห่งโลกเพิ่งทราบว่าสิ่งใดที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจเป็นผู้ชอบเป็นผู้สงวนนักใคร่สิ่งนั้นยินนะ่งนัก นี่เพิ่งทราบว่าเดินตามกระแสแห่งโลกคำว่าโลกไม่ได้หมายถึงใครหมายถึงเรื่องหัวใจของเราโดยเฉพาะหัวใจย่อมเป็นความหมุนเวียนต่อตนเองหลอกลวงต่อตนเองเสมอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกมาเป็นตัวหิดแล้วหมุนตัวเองให้เป็น เผาตัวเองอยู่ตลอดเวลามีเรียกว่าใจาหมุนไปตามกระแสของโลกแล้วเกิดความร้อนขึ้นมาภายในใจของตนของตนแต่เราอย่าไปสำคัญว่าโลกนั้นได้เป็นค่าศึกต่อเราอะไรทั้งหมดไม่เคยเป็นค่าศึกต่อใครทั้งนั้นนอกจากตัวเองเป็นค่าศึกต่อตนเองทุกความเคลื่อนไหวแห่งกายวาใจา ไม่มีอะไรที่จะเป็นค่าสึกต่อตัวเองเพราะฉะนั้นการบวชในพระศาสนาปรากฏว่าเป็นผู้มีโอกาสเต็มที่ยิ่งกว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายบรรดาที่เป็นมนุษย์ด้วยกันในการที่จะประกอบคุณงามความดีถ้าเราทั้งหลายจะไม่สามารถเดินตามทางของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ไม่ทราบว่าใครจะเดินได้ในโลกนี้ ลูกขมลรเตนาสนางม น, นาคารวาสญาติโยมทั้งไหนจะเดินอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนพระของท่านให้เพื่อให้ถึงแก่นของพระที่แท้จริงท่านสอนอย่างนี้ที่ไหนเป็นที่สงัดที่ไหนเป็นที่วิเวกที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่ไม่รบกวนแห่ง ความยุ่งเหยิงทั้งหลายท่านสอนให้ไปอยู่ให้ไปบำเพ็ญในสถานที่นั้นๆน น, นี่สามโกทั้งหลายเดินตามพระองค์เจ้าเดินตามวิถนี้อยู่ด้วยความกล้าหาญอยู่ด้วยความไม่อะไรในชีวิตจิตใจเป็นก็มอบกับพระธรรมคือคติธรรมดาจะตายก็มอบกับหลักสวดคาตธรรมดําเนินตามธรรมที่พระองค์เจ้าทรงกัดไม่ชอบแล้ว เพือ่อนิยานนี้กระทานําตนให้พ้นจากทุกตัวไข่เดียวเท่านั้นสามวกท่านเดินอย่างนี้ไม่ใช่เดินบแบบถอยหลังเหมือนอย่างพวกเราพวกเราเดินถอยหลังเป็นอย่างไรเห็นด้วยตากับลูกกระทบกันก็ถอยเพื่อความติดพันหูกับเสียงกระทบกันก็ถอยเพื่อออกมาสู่ความติดพันฟิน นต t เครื่องสัมผัสทุกอย่างเมื่อได้สัมผัสเข้าในอายุนะภายในคือจมูกลิ้นกายและธรรมารมณ์กระทบกับใจถอยเข้ามาสู่ความทอดแท้อ่อนแอถอยเข้ามาสู่ความยินดียินลายถอยเข้ามาสู่ความปิดพันในตนเองไม่ได้กล้าไปข้างหน้าเพื่อเป็นวิวัต แก้ไขตนเองให้พ้นจากกองจากที่หมุนตัวเองนี้ไปได้เพราะเหตุ น, นั้นจริงว่าพระพุทธเจ้าและสามกท่านเดินไปเพื่อความกระหายก้าวหน้าไปเสมอพวกเรากรงกันข้ามกับถอยหลังเสมอไปจทียงใดที่จะมีเป็นภัยต่อตนเองแล้วชอบคิดชอบอ่านชอบปรุงชอบเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆมี่ฟุนทราบว่าเดินถอยหลังไม่ได้เดินไปข้างหน้า แยจะหันหน้าไปก็ชื่อว่าเดินถอยหลังเพราะจิตไม่ได้กล้าไปข้างหน้าเหมือนอย่างพระพุทธทเจ้าทาแปดหมื่นส0่พันก็ท 8, 000, 000, ะรรมะขันที่พระพุทธทเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและประทานให้พวกเราทั้งหลายได้สะดับรับรสยู่ณทุกวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความท้อแท้อ่อนแอไม่ได้เกิดขึ้นมาแก่ความเห็นแก่ป่าแก่ท้องไม่ได้เกิดขึ้นมาแก่ความ อะไรในชีวิตจิตใจแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอาถรรพ์ร่าเริงเกิดขึ้นมาด้วยความสละเป็นสละตายต่อหลักความจริงคือพระธรรมเสมอไปจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้นี้ขอให้เราได้นำแนวของพระพุทธเจ้าที่ท่านเดินดำเนินอย่างใดเข้ามาประดิษฐานไว้ที่หัวใจจะสมว่าพุทธังสันนังกัจฉามิ พระพุทธเจ้าเป็นตนะของเนาที่แท้จริงได้ทำพระพุทธเจ้าท่านขี้ไว้อย่างไหนเราก็ต้องดาเนินสามวกท่านดาเนินอย่างไรจรึงเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ดิมุตพระนิพพานพ้นจากแก่งกันดานนี้ไปเสียได้ไม่หมุนเย็นเกิดเย็นตายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายท่านเดินอย่างไหนเราต้องนํามาเป็นข้อเทียบเคียง หรือเป็นคติเครื่องเตือนใจของเราเสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นโมคาบรุษถือเพศแห่งนักบวชอาศัยความเป็นขอทานกับชาวบ้านเขากินแล้วกลายเป็นตัวกาฝากขึ้นภายในตัวเองหรือเกาะชาวบ้านอย่างที่บางคนเขาว่านักบวชเป็นกาฝากเกาะชาชาวบ้านเขากินนี้ไม่ใช่เป็นการผิดเสียทีเดียว นักบวชประเภทที่เกาะชาวบ้านกินโดยไม่รับผลประโยชน์อะไรจากตัวเองด้วยและไม่ได้ทําโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอุบายใดๆที่จะให้เขาเกิดความเฉลียวฉลาดให้เกิดความรู้หรือให้เกิดความร่มเย็นเพราะเหตุแห่งการมาคุ้มพระสมคมกับพระได้เลยถ้าพระประเภทนี้เรียกว่าพระกาฝากเกาะชาวบ้านเขากินอาศัยชาวบ้านเขากินเรียนวิชาทางโลกความประพฤติทั้งหมดกลายเป็นโลกเสียกิ้น ไม่มีความสนใจแคร่ต่อตอัด ต, ต่อทำคำสอนคำพระโพติจ่าแต่อาศัยชาวบ้านเขามากินโดยไม่ต้องซื้อต้องหาสาราอยู่ในวัดก็เขาสร้างให้ขึ้นให้อยู่กุฏิทุกหลังเขาเป็นญาติญาติโยมเขาสร้างขึ้นให้อยู่แต่แล้วก็ทำงานหน้าที่เป็นเรื่องโลกไปยเสียให้พิกจากหลักแห่งสมณะซึ่งควรจะทำตามหน้าที่ของสมณะตามแบบที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภากเจ้าทรงประทานไว นี่กลายเป็นอื่นไปเสียเช่นนี้เรียกว่าพระกาฝากทําบ้านทําเมืองให้ล่มจมไปได้และทําพระศาสนาวัตาอาวาตตลอดถึงหมู่เพื่อนให้ล่มจมไปได้เช่นเดียวกันนี่ถ้าเป็นข้าพระเภทนี้แม้เขาจะยกโทษว่าเป็นพระกาฝากเป็นผู้เกาะชาวบ้านจินนั้นก็ยกให้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําอย่างนี้สาวกทั้งหลายไม่ได้ทำอย่างนี้ อาศัยเขามาเสวยหรือมาฉันวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเท่านั้นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าและสาวกไม่ยอมเลยนั้นหมายถึงความเพียรเพื่อแก้ตนของตนให้พ้นจากทุกข์ด้วยความเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความขยันด้วยความอดความทนต่อสถานที่ไม่ว่าสถานที่ใดๆไม่ทอดทุเลาในความเพียร น, นี่สาวกทั้งหลายท่านดําเนินอย่างนี้ นี่ไม่ใช่พระกาฝากเป็นพระบุญยคิดของโลกเป็นเนื้อนาบุญของท่านด้วยเป็นเนื้อนาบุญของโลกให้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยใครจะมีข้อข้องใจไปปรึกษาอัดธรรมจะเป็นข้ อ, ขอลี้ลับจะเป็นทางโลกทางบ้านทางเรือนทางครอบครัวของตนก็ตามเกิดมีความทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่ลงรอยกันได้เมื่อนำเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อข้องใจ อันตนของตนไม่สามารถจะแก้ไขได้ไปเรียนหรือไปศึกษาจากท่านท่านอาจจะให้อุบายต่างๆมาเป็นเครื่องพยุงน้ำใจแล้วแลปฏิบัติตามพระโอวาทของท่านสามารถที่ยังสิ่งที่ร้าวรานให้กลายเป็นของดีขึ้นมาช้าได้อีกต่อไปนี่จึงเรียกว่าพระโอวาทนั้นเป็นคุณแก่โลกผู้ใดซึ่งเป็นนักบวช ประพฤติปฏิบัติตามตนประพฤติปฏิบัติตนตามพระอาวาัชก็กลายเป็นพระกุญยกุญยักเหถรขึ้นมาให้โลกเขาได้กราบไหว้บูชาให้เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้โลกได้รับความสุ ข, ขความเจริญให้โลกเขาได้บุญได้กุศลให้โลกเขาได้รับความเฉลี่ยฉล า, าดมีความอบอุ่นวัดมีมากเท่าไหร่โลกก็มีความร่มเย็นมาก um พระมีมากเท่าไหร่โลกก็มีความร่มเย็นมากเพราะเหตุใด ก็เหมือนกันกับว่าวัาตถุเครื่องช้ไม้สอยหรือหารการบริโภคมีมากเท่าไหร่ก็ทำความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนหรือบรรดาศัตร์ทั้งหลายทั่วไปไม่ขาดเครืกันด่านนี่แต่ถ้ากกงกันข้ามมีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นภัยต่อโลกไม่ใช่คำว่าพระคือนักบวชเจ้านี้จะเป็นคุณต่อโลกโดยถ่ายเดียวก็หาไม่ยังกลายเป็นโทษ เลิกกลายเป็นคิดเป็นภัยเป็นข้าศึกต่อโลกก็ยังมียังที่เราได้เห็นอยู่ในสมัยปัจจุบันทุกๆวันนี้ท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้โดยหูด้วยตาของตนเองนี่คือพระที่เป็นข้าศึกต่อโลกอาศัยข้าวเข้ามากินแล้วยังกลับเป็นศัตรูต่อชาติกลับเป็นศัตรูต่อพระศาสนากลับเป็นศัตรูต่อพระมหากษัตริย์รัฐธรรมมณีเป็นไปได้เพราะเหตุนี้ นี่คือพระเป็นข้าศึกไม่ใช่เป็นบุญญเขตของพระหรือไม่ใช่เป็นบุญญเขตของญาติโยมในบัดนี้เราทั้งหลายได้มาบวชในพระศราสนามีความมุ่งหน้าจะเป็นบุญญเขตของตนเมื่อต้องการให้เป็นบุญญาเขตของตนเพื่ออันดับต่อไปจะได้เป็นบุญญาเขตของชาติบ้านเมืองของรศาสนาของประชาชนคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต่อๆกันไปให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองในแล้วไซ จงเป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อข้อวัดปฏิบัติอย่ามีความเกียจคร้นอย่าเห็นโลกซึ่งที่จะเป็นค่าศึกต่อตัวของตัวเองและเป็นค่าศึกต่อโลกในส่วนรวมแล้วว่าเป็นของดีจงเห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปหน้าที่การงานอันใดทับผิดแปลจากความเป็นสมณะให้รีบนวดเว้นทันทีดําเนินตนของตนเป็นไปในกรอบ แห่งศีลแห่งสมาธิแห่งปัญญาคําสอนคำของพระพุทธเจ้าแม้โลกเขาไม่ได้บวชเหมือนอย่างเราเขาก็จะได้พลอยได้รับความร่มเย็นเหมือนอย่างเราได้รับความร่มเย็นจากโลกอยู่ทุกส่วัง น, นี้งพุทิสาราที่พักที่อาศัยได้ะเป็นมาจากโลกเป็นมาจากชาวบ้านชาวเมืองกัตุปใจทุกทุกๆทิ้นที่ได้ครองตัวอยู่มีชีวิตอยู่ถึงจนกระทั่งถึงมันมี้วนแล้วตั้งแต่ได้มาจากย่าโจมศรัทธาทั้งหลายนี่เรียกว่าโลกให้ความร่มเย็นแก่พวกเราได้อย่างนี้ และเราจะสามารถเป็นการตอบแทนโลกได้โดยยิธีใดเราไม่ทำไร่ทํานาแต่เราก็นาของเราคือบุญญาเขตในตัวของเราเองโลกเขาไม่เป็นบุญญาเขาไม่บวชในพระศาสนาเขาก็ต้องอาศัยเราได้ในเมื่อเรามีบุญญาเขตภายในตัวของเราเช่นเดียวกับเขาเราอาศัยเขาซึ่งแม้ว่าเราไม่เป็นคําวา่าสเขาก็ให้ความร่มเย็นแก่เราได้นี่ให้เทียบกันอย่างนี้แล้วพยายามทําตนของตนให้เป็นบุญญาเขตของตน ศีนอย่าพึงทราบฝักใครจะเป็นผู้มีหน้าที่รักษาให้บริสุทธิ์นอกจากเราผู้มีหน้าที่ทางเดียวเท่านั้นสมาธิคือความมั่นคงของใจใจเป็นอะไรจรึงไม่มั่นคงเพราะใจเป็นโลกใจจึงไม่มั่นคงถ้าใจเป็นธรรมแล้วจะหนีจากความมั่นคงไปไม่ได้ใจเป็นโลกเพราะเหตุในใจกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาความกระเพื่อมของใจได้แก่ความเขย่าตนของตนเสมอ แม้ว่าน้ําถ้าได้รับขุ่ความกระเยากระเยากระเยาอยู่เสมอแล้วจะใสเท่าไหรก็ต้องขุนมีใจของเราธรรมชาติเขายิ่งขุนมัวอยู่แล้วเขายิ่งมีความเขยา่าเขยา่าทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทบกันกับแผ่นดินคือรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสเมื่อคลุคกเคล้ากันเข้าแล้วกระจายเป็นน้ําขุนขึ้นมานี่ เมื่อน้ํามันขุ่นขึ้นมาเพราะเรื่องของโลกล้นล้วนแล้วจะให้เป็นธรรมคือความใสสะอาดสง บ, งบเงียบเกิดความสุขความเจริญขึ้นภายในใจของตนได้อย่างไราเลา่าใจของเราเป็นธรรมธรรมตามพระโอาวาทธรรสอนครั้งพระโพธิเจ้าท่านบอกให้ฝึกขัดหรือฝึกผลทรมาน จ, จิตใจเราก็ต้องทําตามพระโอาวาทมีบทธรรมเป็นรั้วกัน้น มีบทธรรมเป็นเครื่องบังคับหรือมีสติเป็นเครื่องกดขี่บังคับมีปัญญาเป็นธรรมชาติเครื่องสองทางยิดดำเนินตามแถวแห่งธรรมแล้วจะเป็นไปเพื่อความสงบโดยถ่ายเดี่ยวจะไม่เป็นโรคขึ้นในตัวของตัวเลยหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมเพราะท่านดำเนินตามธรรมสามโอท่านเป็นธรรมท่านดำเนินตามธรรมอย่างนี้แเราต้องการเป็นธรมรมธรรมนั้นเป็นธรรมของพระพุทธเจ้า เคยไดปรากฏผลในพระองค์เจ้าและสาวกมาแล้วเมื่อเราดําเนินตามพระโอาวาทแล้วจะเป็นพิษต่อเรามีอย่างที่ไหนไม่มีในที่ไห น, ไหนและไม่มีในคําพีใดด้วยและยังจะไม่มีในในการต่อไปด้วยเมื่อเราได้ปฏิบัติตามพระโอาวาทําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วเราจะค่อยกลายตัวเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจิตใจเริ่มตั้งแต่ความสงบเป็นสมาธิเป็นชั้นชันขึ้นไปตามอํานาจแห่งความกดดีบ่บังคับ ตนเองแล้วจะกลายเป็นสมาธิที่ละเอียดปัญญาพิจนาไกลกรองในความเป็นอยู่ของตนในอวัยวะทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายคือรูปเวทนาสัญญาสั้งขานวิญญาณแยกส่วนแบ่งส่วนออกให้คัดดูทั้งภายในดูทั้งภายนอกในส่วนแห่งกายนี้มีอันใดซึ่งเป็นตัวอัตราแฝงหรือคัดค้านทาพระพุทธเจ้าขึ้นมามีไหมเราต้องดูให้ดี และมีส่วนใดที่จะเป็นความสุขฝื้นจากธรรมพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าทุกขังมีไหมมีธรรมชาติใดที่เป็นของเที่ยงแท้ถามวอนสามารถที่จะคัดท้านธรรมพระพุทธเจา้ามีไหมในสกสกุลกายของเราทุกทุกทิ้นค้นดูมันก็เต็มไปด้วยใจรักมีแต่ธรรมทั้งแท่งเท่านั้นกลายของเราที่เป็นไปไม่ได้เพราะเพะว่าฝื้นธรรมทั้งแท่งจึงกลายเป็นโลกทั้งแท่งขึ้นมา ผลที่เจริญได้รับก็คือไฟเผาตัวเองนี่เดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนไฟที่ไหนก็ร้อนอยู่ในป่าก็ร้อนในวัดก็ร้อนเท่าในบ้านก็ร้อนอินก็ร้อนหิวก็ร้อนหนาวก็ร้อนร้อนก็จิงร้อนเลยร้อนทั้งกลางวันกลางคืนร้อนที่ภายในจิตใจไม่มีวันต่างไม่มีวันที่จะบรรเทาเบาบางไปได้เพราะไม่มีน้ําที่ไหนจะมาดับไฟตรงนี้ได้นอกจากน้ํารมโำธรรมโอสถเท่านั้น คือเราประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทรมขอนของพระโท ธ, ธจากจึงจะกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นมาที่ใจของเราขอให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องพิจารณาร่างกายให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาจะชัดเหมือนอย่างตาของเราเห็นนี้ยังไม่เป็นปัญหาอันไหนให้ชัดด้วยปัญญาเป็นของสำคัญ ดูทุกข์ก็ให้มันชัดทุกข์ตกเต็มอยู่ทั้งวันทั้งคืนภายในกายด้วยภายในใจด้วยทําไมจะไม่เห็นทุกข์ก็เราเป็นคนทุกข์เองเราดูทุกข์ของเราจะไม่เห็นอย่างไรทุกข์มีอยู่พระพุทธเจ้าดูทําไมเห็นเราดูทําไมจะไม่เห็นความรู้สึกเป็นอันเดียวกันความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาสะเพรือนหมดทั้งตัวของเราอยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนทําไมเราจะไม่รู้อานาตาก็เช่นเดียวกันมีสภาพใดซึ่งเป็นตัวของเรา ในกายนี้ทั้งหมดมันไม่มีทั้งนั้นดูให้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจะทนถือมั่นสภาพนี้ว่าเป็นเราได้อย่างไรเวทนาก็เช่นเดียวกันเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์มันเกิดดับกลับไปกลับมาอยู่ทั้งนี้เอาตัวจริงจากสิ่งเห่านี้ได้ที่ไหนนี่เวทนาก็คือตรลักษณ์ดูให้ชัด ไม่เทียงเก่ว่ารูปทั้งหมดนี้เป็นไตรลักษณ์เวทนาก็เป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังขนาตาเต็มไปหมดในเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือเฉยของเวทนาเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นทัญญาก็เป็นไตรลักษณ์สังขารก็เป็นไตรลักษณ์แต่และอย่างในอย่างเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์ที่จรณาให้มันชัดเมื่อปัญญาได้ตรอดสองคน้นคว้าอยู่ตลอดเวลามีสติเป็นเครื่องกำกับ รักษาใจของตนอยู่เสมอมีปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันขุดค้นอยู่ตลอดเวลาของที่มีอยู่นี้ทั้งหมดจะต้องเปิดเผยขึ้นที่ใจของเราจะเ อ, อะไรปิดบังนี้รับไม่ได้เลยอํานาจของปัญญาแทงทะลุไ ป, ปหมดตลอดทึ้งโลกธาตุไม่มีอัใดสามารถที่จะปิดบังปัญญานี้ได้ทิ้งใดๆจะมามีอัมฤทธิ์าสกานุภาพขนาดไหนก็ตามจะสู้อํานาจของปัญญานี้ไม่ได้ปัญญานี้สามารถแทงตลอดทะลุ ก็จุ่กระ จ, จายไปหมดเห็นชัดขึ้นมาด้วยตันเอง<ม>ขอให้ค้นให้พิดารณานี่ละทางดําเนินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าท่านดําเนินอย่างนี้เพื่อความเป็นสาวกอ ร, รหันท่านก็ดําเนินอย่างนี้เราดําเนินตามแถวแนวแห่งพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงดําเนินไปแล้วและได้ประทานไว้ให้พวกเราแล้วอย่างนี้เราจะผิดพลาดจากหลักความจริง หรือจากผลที่แท้จริงไปได้อย่างไรจะไม่ผิดถ้าหากว่าดําเนินไปตามสวดคาตธรรมแล้วผลจะไม่เป็นนิยาณนิกระทำนั้นทำคำําสอนคำพูดที่เช่าจะเรียกว่าสวดคาตธรรมไปไม่นานปัญหาข้อนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราจงเป็นผู้นักวิภาคษวิจารณ์ตั้งสติเสมอไปหน้าที่ของเรามีเท่านี้ การทำไรยทำนาทำรัว้วทำสวนซื้อถูกขายแพงที่ไหนไม่ใช่หน้าที่ของเราเรื่องของโลกต้องยอมยกให้โลกเราอย่าไปเกี่ยวข้องเราอย่าไปเสียดายเรื่องของเราแล้วไม่ยอมให้อันใดมากกดขี่บังคับที่เรียดตันหาตัวใดบังคับออกให้หมดอย่าให้มาเกี่ยวข้องให้พิจารณาตามที่ว่าสิจะไม่รู้ยังไงเล่ารูปทั้งกองเต็มอยู่ในตัวของเรากายอันนี้ชัดเจนฉันใดสภาพภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ต้องชัดเจนฉันนั้น เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างล้อย่างประกาศตัวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อปัญญาอย่างลงไปนี่แล้วจะไม่เห็นอย่างไรเล่าเมื่อเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจะทนถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนอย่างไหนะแล้วจะไม่เห็นกระแสะของกิจซึ่งพุกพลานในสิงทั้งหลายเหล่านี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนได้อย่างไรอะไรเล่าเป็นตัวโจรอะไรเล่าเป็นตัวฆาตศึกพิจารณาที่แรกก็รูปเป็นขฆาตศึกเวทนาั รูปเสียงกลิ่นรสเรื่อมสัมผัสเป็นข้าศึกพิจนาเข้าไปจริงๆแล้วสภาพนั้นก็กินอยู่เช่นนั้นปัญญาเห็นชัดน่าถอยตัวเข้ามาพิจนาในรูปเวทนาสัญญาข้งเื่อนขาน้างต้วิญญาณทข้างตนว่าเป็นตัวข้าศึกกับตนพิจารณาลงไปอีกไม่เห็นชัดอีกก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสภาพซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนั้นไม่เห็นปิดกันแต่อย่างไรเนี่ยอะไรเราเป็นตัวโจรอะไรเป็นผู้คว้าอยู่ทุกวันนี้อะไรเป็นผู้หลงอะไรเป็นผู้หมุนไปตามรูปเวทนาสัญญาสะขากัญและถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นตนไม่มีอะไร นอกจากอาวิชชาดวงเดียวคือผู้รูร้นี้เท่านั้นนี่และธรรมชาติอันนี้น่ะจะเห็นได้ด้วยปัญญาของเราที่พิจารณาอย่างนี้ถังป่าถัางโลกทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องปกปิปกปดธรรมชาติ น, นี้ด้วยปัญญาถางดูรูปให้ชัดเวทเสียงกิ่นรถเครื่องสั้นผัดให้ชัดถางเข้าฉากถางเข้ามารูปเวทนาสัญญาทั้ ง, งขาทั้งยันตนให้ชัด ถามลงไปชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นกระแสของใจชัดแล้วก็จะได้ปฏิเสธในสภาวะตั้งหลายเหล่านี้ว่ามันไม่ใช่ตัวกิเลสไม่ใช่ตัวตัณหาไม่ใช่ตัววัตจักรแต่อย่างใดนอกจากผู้รู้นี่ดวงเดียวเท่านั้นนั่นมันต้องเห็นชัดแล้วผู้รู้นี้เป็นอะไรอีกกาหนดลงไปมันก็เป็นลักษณะเป็นไตรลักษณ์อีกเต็มตัวเหมือนกันนั่นเพราะงั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นตัวคงจักได้จึงเป็นโลกได้ถ้าไม่เป็นไตรลักษณ์จะเป็นโลกหรือจะเป็นสมมติไม่ได้ต้องเป็นมิ สมมตต่นี่ธรรมชาติอันนี้ยิงจแกร่งเป็นสมมติอยู่เพราะธรรมชาตินี้เป็นไรล่ะษณคนดูให้จริงกำหนดตัวให้มันชัดผู้รู้มันเกิดความดีความชัว่วเกิดขึ้นมาจากไหนนอกจากจะเกิดขึ้นจากผู้เท่านั้นปัญญาอย่างลงไปที่ยาวนานไปนี่เรื่องของปัญญาโดยไม่ต้องมีใครบอกใครสอนเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอัตโนมัติหมุนตัวอยู่ตลอดเวลา เรื่องของตัวมีมากมีน้อยเท่าไรผิดถูกดีชั่วจะรู้หมดย่าละเอียดจะนิดต่อจะทนต่อปัญญาไม่ได้แล้วจะปิดบังปัญญาไม่ได้ค้นลงไปทามันเห็นชัดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องใะทั้งหมดจะปรากฏขึ้นที่ผู้รู้นั้นเราจะเห็นว่าผู้รู้อนั้นคือตัวขีเหร่ชัดๆตัวโกงจักตัวสมมุติชัดๆจนกระทั่งถึงว่าผู้รู้นี้ได้ถูกทำลายไปด้วยอํานาจของปัญญาแล้วจึงจะสลายตัวลงไปเช่นเดียวกับสภาพระอื่นอื่ นั่นแหละธรรมชาติที่เป็นยมุตดจึงจะปรากฏเด่นชัดขึ้นมาโดยไม่มีใครเจเศษสันนั่นเรียกว่าทาหมดปัญหาเรียกว่าทาเปิดเผยเราถากถางสิ่งทั้งหลายเข้าไปโดยลำดับดับก็เพื่อจะเห็นธรรมชาติที่ปกปิดกำบงังสิ่งที่อัศจรรย์ไว้ เมื่อทาค้างเป็นลาดับํๆด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงเห็นสภาพมหาโจรคือเจ้างหัจวัฏจักรได้ชัดด้วยปัญญาแล้วก็ถูกทําลายลงไปอีกเช่นเดียวกันหมดแล้วอะไรทีนเมื่อธรรมชาติที่เรานี้หมดแล้วใครที่รู้ว่าธรรมชาติทั้งหลายเรานี้หมดไปใครที่รู้ว่า วัตจักรคือตัวอวิชานี้หมดไปทิ้นไปดับไปผู้รู้นั่นเองท่านเรียกว่าวิวัตะ น, น่เราจะมาเราเป็นสิทธิพระพุทธเจ้าก็ตามไม่ว่าก็ตามเป็นสิตธากตรหรือไม่สาทธกตไม่เป็นมนหาไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดคำจาคาน้ำลึกคิดเอาเฉยแต่ขึ้นในหลักธรรมชาติที่แท้จริงตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและตามหลักเหตุผล เห็นอย่างพระพุทธเจ้าว่าในตรัสไว้ว่าใครผู้ใดเห็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระธรรมกฎไม่ได้เพียงแต่ว่าจะเห็นด้วยคําพูดเฉยๆต้องเห็นด้วยข้อปฏิบัติด้วยต้องเห็นด้วยความรู้ความฉลาดทางด้านปัญญาด้วยเห็นในลักธรรมชาตินี้ด้วยแล้วก็เป็นทิศของมระธรรมกฎเจ้าและเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นพระธรรมกเจ้าด้วยธรรมชาติอันนี้เป็นเครื่องวัดหรือเป็นเครื่องที่ปี่เปียงเป็นสักศรพยาน ได้อย่างชัดเจนขอให้พากันดําเนินตามทางที่ได้อธิบายมาแล้วนี้คําที่ว่าวิมุตพระิพานท่านก็ไม่ต้องถามที่ตรงไหนธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติที่ตายตัวเช่นเดียวกันกับพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงวางไว้ขอให้ดำเนินแบบตายตัวสลับเป็นสลับตายเข้าไปสมบัติอนัอนล้นค่านั้นจะไม่ใช่เป็นของใครพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ผูกขาด เป็นส่วนของใครของเราขอแต่ว่าให้ดําเนินตามสวดคาถาธรรมําว่านิยานนิกระทาหรือตนของตนออกจากมตจักรจะเป็นเรื่องของเราเป็นผู้ได้รับผลคือความบุดพลการแสดงธรรมเทศน์แสดงธรรมคาสอนคุปฏิจจเพื่อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันดิบเป็นไหนท่านไหนองค์ และได้แยกโยกได้มาจากสถานที่ต่างๆได้มารวมกันวันนี้เห็นว่าเป็นโอกาสอันควรจึงได้แสดงธรรมในฐานะว่าเป็นกันเองแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจุมนาไปที่ที่แก่นักแลปฏิบัติตนต่อตนเองด้วยความเป็นพุญนักเขตุของตนต่อจากนั้นไปก็จะเป็นบุญนักเหตุของบรรดาประชาชนทั้งหลายให้รับความร่มเยน็นจะเป็นที่พึ่งจิตพึ่งใจพึ่งเป็นพึ่งตายแก่ประชาชนทั้งหลายได้ในเมื่อเราทําตัวของเราให้เป็นพุญนักเขตแล ยองเป็นพุ้นมีความมรึกถึงคำวมบุญเกษตรของตนนี้เป็นข้อที่หนึ่งแล้วบุญเกษตรของโลกจะเป็นข้อที่สองเกิดขึ้นมาในบุญเกษตรอันนั้นโดยไม่ต้องสงสัยแนอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพให้ผมสมเด็จพระภูมิาพระภาคเจ้าพร้อมทั้งกระทำในพระสงฆ์จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีความสะดวกกาสบาใจทั้ง ทัติปทาเครื่องลำเดินเป็นไปตามพระว่าคำสอนน้องโคดีจักรจนถึงจุดหมายปราทางคือแดนแห่งยมุตหลุดพ้นไปได้โดยเดีวยดวย